ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระชายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรัปย ร, รุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทรัวมาทำสมาธิกันสักว้าถนาทีทั้งบูฟังแล่วันนี้เราจะไปฟังหัวข้อครึ่งสิ่งที่จะมากั้นให้จิตเราไม่เป็นสมาธินั่นคืนอนิวรณ์รัมาฝึกลองทำจิตให้เป็นสมาธิซะก่อน ดูเชว่าไอ้เจ้านี้วรณมันมากั้นมาขวางหรือไม่เริ่มจากการที่เรามาสังเกตดูลมหายใจของเราวันนี้เราจเจริญอานาปานสติดูสังเกตดูลมหายใจเข้าหายใจออกโดยไม่ต้องตามลมหายใจแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมด้วยว่าต้องสั้นต้องยาวต้องเร็วต้องช้าให้หายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วก็ไม่ต้องตามลมแต่ให้รู้อยู่นะที่ ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนเอาลองหายใจแรงๆสักสองสาครั้งก่อนก็ได้มันจะอยู่ในบริเวณโรงจมูกนั่นแหละประมาณจุดที่เรารับรู้ถึงกลิ่นประว่าจุดนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่มากมีเซลล์แรงต่างการรับรู้ก็จะค่อนข้างชัดเจนให้เรารับรู้ถึงสัมผัส ต, ต, ตรงนั้นเอาที่เดียวไม่ต้องตามลมเข้าตามลมออกไม่ต้องบังคับให้เร็วหรือช้าสั้นหรือยาว ที่อยู่หรือหา่างร่างกายเขาจะปรับระบบของการหายใจระบบเลือดอะไรของเขาเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วเราไม่ต้องไปบังคับทุ่มฝังทำให้เป็นธรรมชาติตทีนี้พอเรามาสังเกตดูลมหายใจแล้วก็มาดูจิตใจของเราด้วยในช่องทางใจของเรานั้นจะมีหลายอย่างในทางกายนะเรามาอยู่กับลมใช่ไหมตั้งสติไว้ตรงนี้รละลึกถึงตรงนี้ในทางใจ หรือบางทีมันมีความคิดนึกบ้างหรือบางทีมันก็มีความชอบความไม่ชอบโผล่ามาบ้างหรือมันก็มีเรื่องอดีนาขดบ้างให้ในที่นี้เราใส่ใจไว้ยอยู่กับลมให้ในที่นี้เราไม่ต้องไปบังคับความคิดว่ามันจะต้องคิดหรือจะต้องไม่คิดเราก็ไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องบังคับความคิดไม่ต้องเกรงไหลเกรงคอเกรงหลัง ให้ทั้งหมดให้อยู่อย่างสบายๆในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ว่าแบบปล่อยมันไปตามความคิดหรือก็นอนแอ่งแม่งไม่ได้สนใจหรือก็ไม่ได้จะมีสติอะไรไว้อย่าไปสุดโต่งอีกข้างหนึ่งแต่รู้จักที่จะควบคุมควบคุมในที่นี้คือลุกขึ้นนั่งแล้วตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจมีความคิดใดๆผ่านมาไม่ตามมันไปมีมาเฉยๆแต่ไม่ตามไปนี่คือ หลักการที่เราต้องชัดเจนเลยทุกฝั่งเหมือนยามเฝ้าประตูมีคนมาแล้วไงก็แบบผ่านเข้าผ่านออกเนี่ยแหะไม่ไดีจะตามเขาไปแล้ เ, เขาคงไม่ได้จะอยู่ที่นี่ด้วยกูก็ไปไหนของเขาความคิดเหมือนกันผ่านมาปุ๊บเราไม่ตามไปไม่ใช่เราไม่รับรู้นะเรารับรู้อยู่ด้วยวิญญาณหรือมโนวิญญาณแต่ไม่ตามไปด้วยการระลึกถึงไม่ แล้วเราเลึกถึงอยู่กับอะไรเราเลึกถึงอยู่กับลมแค่นี้หลักการแก่ไหนตุกฝังง่ายๆไม่ยากกี่วัดทำได้ทุกคนอยู่น้อยสักหนึ่งหรือสองลมหมยใจเนี่ยนะทำได้ใช่ไหมล่ะอยู่น้อยสักหวินาทีสิวินาทีทําได้ใช่ไหมล่ะถ้าทําได้แค่หนึ่งหรือสองลมหมยใจทําได้แค่ห้าหรือสิวินาทีนาทีหนึ่งก็ได้ทุกฝังนาทีหนึ่งได้หานาทีก็ได้ทุกฝัง ห้านาทีได้สิบห้านาทีไม่มีปัญหาเอาถ้าสิบห้านาทีได้ชั่วโมงหนึ่งมันจะไปยากอะไรมันไปตามทางเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ที่เอาสั้นๆเนี่ยสั้นๆเนี่ยมาต่อๆกันเราไม่ได้จะเอาร้อยลมหายใจล้านลมหายใจนะเอาลมเดียวเอาลมเดียวทีละครั้งทีละหนึ่งในช่วงระหว่างหนึ่งครั้งสองครั้งมันก็หนึ่งครั้งนั่นแหละแต่เอามาต่อกัน มันจะเผลอไปบ้างไม่เป็นไรทำจิตให้สบายอย่าให้มีความไม่พอใจแต่ให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรารักษาจิตที่มีความสงบนี้เอาไว้เอาไปทําอะไรสมาธิมีประโยชน์หลายอย่างรับฟังสามารถใช้แก้ปัญหาในการงานธุรกิจของเราก็ได้ใช้คิดอ่านทำข้อสอบก็ได้ใช้ในการที่จะคิดหาทางทำมาหากินก็ได้ ยิ่งไปกว่านั้นสามารถใช้ในการที่จะตัดกิเลสรู้อริยสัจสทํานิพพานให้แจ้งก็ได้ทีละล้มนี่แหละทีละครั้งนี่แหละทีละหนึ่งนี่แหละคุณจะวิ่งมาราธอนสี่สิองหนึ่งเก้าห้ากิโลเมตรไม่ต้องพูดถึงร้อยเมตรหรอเอาทีละเก้าทีละเก้าคุณจะเดินทางหนึ่งมื่นไมล์หนึ่งมืนไมล์นี่มันก็สองหมืนกว่ากิโลนะโว้ยเป็นข้ามประเทศกันเลย เหนือจรดใต้นี่มันก็แค่ไม่กี่พันกิโลเมตรแต่ถ้าหมื่นเนี่ไปถึงนู่นเลยประเทศจีนรัเสเซียนุ่นโอเราจะไปยังไงไปทีละก้าวดูฟังกินช้างทั้งตัวทำยังไงกินทีละคำจะเดินตามทางมักแปะให้ถึงนิพพานทำยังไงทีละลมทำฟังทีละลมหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้มีความคิดผ่านมาแน่นอน รู้อยู่แต่ไม่ตามไปภาษาไทยบางทีมันสับสนนะบฟังวิญญาณกับประว่าการรู้แจ้งสติกับประวาการระลึกรู้ทำให้บางทีก็สับสนคิดว่ามันเหมือนกันบ้างเอางี้ฉันจะไปตามความคิดหรือฉันไปตามลมอย่าสับสนหรือจากแยกแยกให้ถูกตั้งสติของเราไว้ให้ดีมีความคิดผ่านมาเรารับรู้ได้เป็นวิญญาณแต่เราไม่เอาสติของเราตั้งไว้ที่ สิ่งนั้นเราสติกองเราตั้งไว้อยู่กับลมหายใจทำอย่างเป็นธรรมชาติทำอย่างเป็นธรมนธรมดาสร้างเหตุให้ถูกแล้วจิตเราเป็นสมาธิได้อา้าวละท่านฟังหลังจากที่เราได้ทําจิตให้มีความสงบขก้นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาฟังธรรมะ แต่เราต้องมีการทำจิตให้มีความสงบตัง้งแต่ังเพราะว่าถ้าจิตไม่สงบฟุ้งซ่านมีความง่วงซึมมีความสงสยัยฟังเทศฟังธรรมันจะไม่เข้าใจมันจะจำไม่ได้มันจะใกล้กรวนไม่ถึงมันจะกลายเป็นเข้าใจเป็นรูปแบบอื่นเป็นบริวายเหมือนกับเวลาที่เขาไปจับงูเป็นหมองูเนี่ยแหละ แต่หมองูนี้ไม่ชำนาญเวลาจับจับที่ตัวจับที่หางเฮาจับตัวจับหางหัวมันก็โฉกซะสิพอถูกงูกัดได้รับพิษเข้าสู่กระแสะเลือดก็ตายแทนที่ว่าจะได้ประโยชน์จากพิษงูแต่ดันถูกงูกัดตายซะนีเต็มบริว้ว่าเวลาเรามาศึกษาธรรมะเป็นเหมือนกับการไปจับงูพิษเธ่าบ่ฝัง เธอบอว่าเราจับไม่ถูกจับไม่ดีจับไม่เป็นการศึกษานั้นให้เกิดโทษได้การศึกษาน่าจะเกิดประโยชน์แต่ทำไมจะเกิดโทษเพราะว่าถ้าเอาความรู้นั้นไปพยายามในการที่จะหาเรื่องพยายามในการที่จะคิดว่าตัวเองเก่งคนอื่นไม่ดีเท่าถ้าคิดแบบนี้อันนี้ได้โทษไม่ได้ประโยชน์แต่ประโยชน์จากธรรมะนั่นก็คือว่า ก็เราศึกษาทำความเข้าใจแล้วเออกิเลสในจใจใจเรามันจะลดลงพอามาบอกต่อสอนต่อคนอื่นกิเลสในจใจใจคนอื่นเขาก็ลดลงด้วยออต้นปุญนี้เราจะไม่ได้เป็นกันที่ว่าล้มล้างรัตที่อื่นหรือเพราะว่าความคิดอื่นๆที่เป็นความคิดงมงายเป็นสิ่งที่มิจฉาทิฏฐิแล้วถ้าเปิดวว่าได้รับสัมมาทิฏฐิเข้าไป ก็ถือว่าเป็นการล้มล้างมิจฉาทิฏฐิไงอันนี้มันเกิดเป็นการตอบคําถามไปในตัวทั้มดฝั่งพระบาทถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องดีด้วยในคําสอนนี้บอกสอนต่อคนอื่นไปไม่ได้ด้วยเจตนาที่ว่าต้องการจะล้มล้างเขาหรือด้วยเจตนาที่ต้องการให้เกิดประโยชน์ในความที่เขาจะมีสัมมาทิฏฐิได้มีกิเลดลดลงสิ่งนี้ก็จึงเป็นทั้งประโยชน์กับตัวเองด้วย ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยจึงในทุกวันพุธเรามาพบกันนั้นในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่กัะเจ้าจะนำหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมายกขึ้นพูดคุยดูว่ามีความเชื่อมโยงไปรื่นอนื่นต่างๆอย่างไดแล้วสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรโดยก็จะแบ่งเป็นการทำสมาธิสัก 5-10 นาทีก่อน แล้วก็มาฟังธรรมะในหัวข้อวันนี้เราพูดถึงเรื่องนิวรณ์ท่านเพฟังว่าในสัปดาห์กันก่อนนั้นข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องเจ้าตัวกิเลสที่เป็นความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่ทำจิตใจให้ไม่ผ่องใสอธิบายไว้หลายตัวเลยประมาณสักสิบกว่าหัวข้อได้เป็นบ่ายจะเป็นเรื่องอาสวะเรื่องความตรณีมานะ กิเลสกรร ม, มกิเลสวิปัสสูกิเลส ย, ยังมีอนุสัยมีสังโยชนมีมิจฉาทิฐิอีกหลายอย่างวันนี้อยากจะนำเรื่องหนึ่งนั้นมาเจาะพิเศษเอาเฉพาะสำหรับบุคคลที่ชอบทำการสมาธิภาวนานั่นคือเรื่องของนิวรณนทุกมฟังถ้าสมมติว่าเราจะฝึกปฏิบัติสมาธิทำจิตให้มีความสงบมันต้องได้เจอตัวนี้ ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนั่นคือนิวรณ์นิวนรณ์แปลว่าเครื่องกั้นกันเครื่องขวางเครื่องค้องในวันนี้อยากจะพูดให้มันเต็มที่เลยว่ามีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวกับนิวรณ์บ้างแล้วเราจะนํามาประยุกต์ใช้กําจัดมันออกไปอย่างไรแล้วจะทําจิตใจคนเราให้มีความเข้าหน้ามีความสงบได้ระดับแรกก่อนตระวางคําว่านิวรณ์หมายถึงเครื่องกัน้น เครื่องขวางเครื่องข้องเครื่องที่มันจะมาบล็อกเอาไว้ให้เราไปต่อไม่ได้เหมือนกำแพงสมมติคุณขับรถไปตามเส้นทางนี้อยู่ๆมีใครไม่รู้มาสร้างกำแพงบังเอาไว้หรือเป็นตัวหนอนให้สะดุ้งขึ้นเวลาเราขับผ่านหานนั้นจะเป็นเครื่องขวางเลยเหมือนกันเลยขวางอะไรขวางการที่จิตจะระงับลงเป็นอารมณ์เดียว อยเวลาที่เราจะฝึกจิตได้เราต้องไปจับจิตมาก่อนใช่ไหมละ่ะเอาคุณจะฝึกจิตให้มีปัญญารู้เห็นอระยะสัสส์สีเข้าใจสิ่งต่างๆถ้าจิตมันยังวิ่งวุ่นไปที่นั่นที่นี่มันจะสั่งสอนบอกสอนไม่ได้เหมือนช้างหรือม้าที่เขาจับมาจากป่าถ้ามันไม่ฟังคำสั่งมันก็สอนไม่ได้เขาก็ต้องให้มันหมดโะยศะะก่อนจิตเหมือนกันถ้ามันยังไปฟุ้งซ่านอยู่ โอ้ยจะมาคุยกันพูดคุยทําความเข้าใจเรื่องปัญญามันไม่ได้ความฟุ้งซ่านนั้นจึงเป็นหนึ่งในเครื่องขวางเครื่องก้องหรือถ้าบางทีเกาง่วงฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะไอ้ความง่วงซึมนี่ก็เป็นเครื่องขวางเรื่องกล้องอย่างหนึง่งเราเอาหัวข้อก่อนทำฟังมิวร์มี5้าอย่างอะไรบ้างอย่างแรกคือการมฉันธะ คือความพอใจในกรรมอย่างที่สอคือพยาบาทความเคียดแค้นความปรารถนาให้เขาได้ไม่ดีอย่างที่สามคือความงุ่งซึมความซบเซาวความมึนเมาอย่างที่สีคือความฟุ้งซ่านความรำคาญใจและอย่างที่ห้าคือความเกลื้อแกล้งเห็นแย้งไม่ลงใจในพระสูตรที่มาในสัง่งยุติานิกาย์ทุ่มฟัง มีเรื่องหนึ่งที่พระบริชาอธิบายไว้กับสการะวะพราหมณ์พระบริชาอธิบายให้พราหมณ์ฟังถึงเรื่องของนิวรณานี้อันแรกที่ว่าเป็นการมัชชะนั้คือความพอใจความรักใคร่ยินดีในการเล่นเปรียไว้เหมือนกับน้ําที่เจือด้วยสีต่างๆน้าแดงน้ําเขียวน้ำโคคาโคลา่า โบนเนสเจือสีไว้ทางนั้นท่านฟังหรือบาทีเอาน้าไปเตยก็ได้เชือสีธรรมชาติเวลาเราใส่อะไรลงไปในนั้นมันจะเห็นไม่ชัดเจนมันจะมีอะไรมาเชือมาบังอานจะจะเปรียบเทียบสมัยใหม่เราเอาแว่นตานี้ก็ได้ถ้าแว่นตาเราใส่สีแดงเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆเป็นสีแดงไปหมดสีเหลืองก็จะเห็นเป็นสีแดงสีฟ้าก็จะเห็นเป็นสีแดง พอสีเขียวก็จะเห็นเป็นช้าเลือดชําหนองออกทนแดงแดงจะเห็นเป็นสีแบบหนึ่งไปเนื่งเพราะอะนะเพราะมันมีเครื่องเศร้าหมองมีอะไรมาแปดเปื้อนสิ่งนั้นคือการมาชันทะถ้าในช่องทางใจของเราดูฝังมีความคิดนึกพอใจไปในทางกามอยู่เรื่อยเช่นเห็นสิ่งของแม่ก็อยากได้เห็นนรถแม่ก็อยากซื้อเห็นกระเป๋า แม้ก็อยากใช้อยากใส่เห็นรองเท้าก็อยากสวมจิตใจมันน้อมไปมีความพอใจในกรรมฉันท้าเปเรื่อความพอใจนะกามนี่หมายถึงความเพลิดเพลินลุ่มหลงยินดีพอใจกามก็จะแยกไปส่วนนี้เป็นกรรมมาวัตถุกับกรรมมากิเลสซึ่งกรรมมาฉันท้านี่คือส่วนที่อยู่ในใจอาจจะไม่ได้มีสิ่งของภายนอกนั้นเลยนะ เิ็นโทรศัพท์มือถือออกรุ่นใหม่บางทียังไม่ออกเลยแค่มีข่าวลือว่าจะออกจะออกแต่มันคิดไปก่อนละว่าแม้จะออกมาแล้วจะซื้อน่ะนี่คือความคิดไปนในทางกา ร, รหรือว่ากา ร, รมสัญญาเฮ้ยทาไมคุณไปทางนั้นได้เพราะมีกา ร, รมฉันทะมีความพอใจตรงนั้นอ่ะมันจึงไปตรงนั้นกา ร, รมาฉันทะนั้นจึงเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นที่ตั้งอาศัยเป็นสิ่งที่เป็นอุปการะต่อการมสัญญานั้น ถ้ากามชันดายังมีอยู่ในหนุ่มฝังบางทีเเราไม่คิดเรื่องโทรศัพท์มือถือแล้วก็ได้บางทีก็ไปคิดเรื่องรถเออถ้าชอบรถเออถ้ามีกามชัญธายอยู่มันไปติดกับรถได้ไปติดกับสิ่งของอื่นได้อางที่ไม่ใช่รถก็กระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าสิ่งของทุกอย่างมันติดได้หมดติดกับการมสัญญาอะไรก็ได้ถ้ายังมีการมชัญธายอยู่ ในพระสุที่อื่นๆก็ยังจะเปรียบถึงการกู้หนี้ด้วยคนไม่มีเงินอยากมีเงินก็จึงไปกู้หนี้ผู้หนี้มีปัญหาอะไรกู้หนี้ก็ดีแล้วไงเอาเงินมาใช้จ่ายนั่นนี่ลงทุนต่างๆปัญหามันตรงที่เขาถ่วงท่านฟังแต่บอกว่าไม่จ่ายหนี้เพราะว่าจิตใจที่มีการมัชันทะมันจะเที่ยวไปก่ อ, อเกี่ยวอารมณ์นั้นเก่อเกี่ยวอารมณ์นี้เก่อเกี่ยวอารมณ์โน้นตามความพอใจความชอบใจ ไปแล้วมันไม่มีจบเหมือนคนกู้นี่เราก็กู้อยู่เรื่อยกู้แทนที่จะหาใช้คืนเขาใหม่อ่ะกู้อยู่เรื่อยกู้อยู่เรื่อยของเก่ายังไม่ใช้ของใหม่จะเอาอีกเหมือนการมาเชนท่ามันไปติดสิ่งนั้นติดสิ่งนี้มันไม่จบเนี่ยมันจะถูกทวงหนี้มันจะมีความเร่าร้อนมีความเดือร้อนทาให้มองเห็นไม่ชัดเจนูุบีบคันมากทุกฝังมันก็เครียดมองเห็นไม่ชัดเจน เวลาก็สูญเสียไปโดยปลาประโยชน์การงานแทนที่จะทําได้ก็ทําไม่ได้เพราะว่ากู้นี่แหละไม่ยอมคืนการมชันท่านนั้นทั้งฝั่งท่านยังแจกแจงไว้ถึงเรื่องที่เป็นภายในด้วยเป็นภายนอกด้วยเราโทษกูมันทัง้งังทําให้จิตเนี่ยไม่เป็นสมาธิจะมารวมลงเป็นอารมณ์ันเดียวไม่ก็ไปคิดเรื่องที่อยากจะได้สิ่งของที่อยากจะมีธุรกิจที่อยากจะทํา ที่ที่อยากจะไปเดี๋ยวมันไปนะเดี๋ยวมันไปทำให้จิตใจมันไม่รวมลงยังรวมถึงเวลาจะเรียนหนังสือทำความเข้าใจในคอนเซปต์เรื่องใดเรื่องหนึ่งมันทำให้ไม่แจ่มแจ้งถึงจะจำได้แต่ก็ไม่นานลืมได้เร็วเวลาจำได้ที่ไม่มากนั้นก็ยังจำไม่ถูกด้วยข้อเสียมันมีการปรจันตานี้ ยังแบ่งเป็นส่วนที่เป็นภายในแล้วก็ส่วนที่เป็นภายนอกหมายถึงถ้าติดยึดในการมัดสัญญาที่อยู่ในภายในหรือว่าสิ่งของต่างๆที่อยู่ในภายนอกแบ่งเป็นสองอย่างโดวยอระมา2สองประเภททำให้เกิดโทษในจิตใจของเราสุขมีไหมมีท่านฟังการพชันทะเวลาเราคิดนึกเรื่องที่เราอยากจะได้เนี่ย เราจะมีความสุขอยู่แล้วคิดว่าโอ้ยฉันอยากจะใส่กระเป๋าใช้รองเทา้าคู่นี้ใบนี้เราเก็บเหมือนเดียวไปที่นี่เที่ยวแล้วก็จะพูดอย่างนี้กินอันนี้มีความสุขตอนที่คิดตอนนั้นหละเหมือนอยังคนที่เล่นหวยท่านฟังเวลาคุณเล่นหวยคุณก็อยากจะได้ถูกได้เงินใช่ไหมไดนเป็นสิ่งภายนอกนะไอจิตใจที่มันอยากจะได้เนี่ยนั่นคือการ มีความพอใจในการนั่นกัเป็นการมันฉันทะฝันไว้เต็มที่เลยว่าเนี่จะต้องซื้ออันเลขนี้แล้วก็ถูกเท่านี้ถูกเท่านี้แล้วก็เอาเงินตรงนี้มาใช้ตรงนี้ซื้ออันนี้จ่ายอันนั้นให้คนนี้แต่พอหวยออกนะเงียบมิดประโยชน์มีไหมให้ความสุขเราได้แค่อะไรที่มาเข็ดเข็ดฝันเฉยเต่แบบจะกินละอิ่มเนี่ยไม่ได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับสุนัขแทะ ก, กระดูกทั้งบุฟัง แทนนี่มันจะอิ่มมันไม่ไม่อิ่มเพราะอะไรมันก็กินแต่น้ําลายตัวเองกระดูกมันกินเข้าไปแล้วมันไม่อิ่มกินไม่ได้โดยมันแข็งได้แต่แทะเฉยแต่ชอชอบชอบมากเลยนี่คือลักษณะของกามาชันทะมีคุณน้อยมีโทษมากไม่คุ้มเอออะไรที่มีคุณมากๆหน่อยหรื อ, อน้อยมันก็ยังเท่าๆกันนะ่าก็ยังพอได้ไง คุยแต่ว่าการมชฉันด้านี้มันมีโทษมากคุณก็มานิดเดียวให้เราได้แบบว่าพอเก่าแล้วรู้สึกดีหน่อยแค่นั่นแหละแต่เวลาที่แผลเวอะวะหรือมีเชื้อโรคมาสะสมมากขึ้นเน่าเหม็นเป็นหนองวูนี่โทษมันมากกว่านะความสุขที่เกิดจากการเก่าหรือเหมือนกับสุนักแทกกระดูหรือเหมือนก็คล้องในความฝัน ว่ามันมีโทษมากกว่านะการม่ฉันท์นั้นจึงไม่ดีบางคนอาจจะเถียงว่าจริงๆน่าจะมีประโยชน์อื่นนะท่านเช่นว่าใช้ในการตั้งเป้าหมายในชีวิตไงถ้าเราไม่อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่มันจะไปทําสําเร็จได้ไงเราก็ต้องอยากได้ก่อนสิปะ่ะอันนี้ก็อาจจะเห็นเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แต่ว่ารู้ไหมว่าเวลาที่เราจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มีความสําเร็จตั้งเป้าหมายในชีวิตเนตี่ยท่านฟังมันไม่ใช่แค่ว่าอยากแล้วมันจะได้ไง ถ้าอยากแล้วได้ทุกคนมันก็ต้องได้สิ่งที่ตัวเองอยากหมดอนะถ้าแค่เพียงการอ on ้อนวอนขอร้องพูดแอฟเฟอร์มชันทุกวันทุกวันหรือเขียนเป้าหมายชีวิตไว้ในกระดาษเสร็จแล้วก็ทุกวันเขียนเลยเราคิดว่าเออสิ่งนี้มันจะสําเร็จถ้ามันเป็นอย่างนั้นะทุกคนก็จะไม่เสื่อมจากการที่จะได้อะไรนะท่านฟังเพราะชีวิตมันไม่ได้มีแค่นี้แค่ว่าอยากแล้วมันจะได้ มันต้องมีการทำการปฏิบัติแก้ปัญหาต่างๆนั่นนี่พัฒนาสิ่งนั้นสิ่งนี้มันต้องมีไปอีกหลายขั้นตอนเราจะบอกว่าลำพังเพียงความอยากแล้วสามารถให้เราเดินไปตามอีกหลายขั้นตอนเพื่อที่จะไปถึงจุดประสงค์ที่เราต้องการมันก็ดีไงแต่ปัญหามันก็คือว่าพอมีความอยากที่เป็นการมันฉันทาหรือประเภทตัณหาอะไรแล้วก็ตามสิ่งที่ตามมาข้างหลังไอ้เจ้าความอยากเนี่ย มันเป็นหินกองบบเรมมันเป็นกำแพงสูงมันเป็นอุปสรรคที่โอโตมากจริงๆเอา้าก็ไม่ใช่ว่าเราอยากแล้วมันก็ต้องมีทางไปแต่นี่พออยากแล้วถนนมันนั้นบล็อกเอาไว้เลยปัญหาไม่ตามมามากกว่าช่นความเพียนเราจดลดลงความคิดจำแจนในการที่จะแก้ปัญหามันจะไม่มีโทษมันมีมากกว่ า, างทุกฝ่ง ตอนเริ่มเริ ม, เรมดูดีๆเนี่ยมันก็เหมือนดูดีอ่ะคําะทำให้ฉนได้น่ะของในความฝันไงแต่พอจริงๆแล้วเออไม่มีแต่พอจะเดินไปตามทางแล้วเออตันให้ไปยังไงต่อไม่ได้จิตใจไม่มีกําลังท้อแท้ท้อถอยเจออุปสรรคนิดหน่อยก็เลิกนิมเป็นอนี้แต่สิ่งที่จะทําให้เราสามารถไปตามเป้าหมายได้คือจิตที่เป็นสมาธิต่งงางหาความเพียรต่างหากสติสัมปชัญญะนุน่ะ สามารถที่จะให้เราแบบคิดแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้อย่างแจ่มชัดสามารถที่จะเห็นหนทางที่ว่าเอไม่ไปทางนั้นหรอกทางนั้นมันตันเราไปทางนี้ดีกว่าจะรู้วิธีแก้ปัญหาได้เดินไปตามหนทางที่ถูกต้องได้ไปตามทางลัดถึงเป้าหมายได้แต่ต้องไม่มีการมาฉันดานะฉันท่าเฉยๆมีได้ท่านฟังแต่ไม่ใช่การมาฉันดะฉันทาเฉยๆมีในทำเครื่องปรุงแต่งคือเป้าหมายในชีวิตของเรา ประสานพลังด้วยความเพียรและสมาธินั่นถึงจะถูกสิ่งที่เป็นกามเอาออกไปฉันทะตั้งไว้ถูกด้วยสมาธิมันจะเป็นอิทธิบาทสีได้ฉันท้านี่มันจึงแบบว่าค่อนข้างจะต้องระมัดระวังในการใช้ให้ถูกถ้าใช้ไม่ถูกจุดวางไม่ถูกที่มันเปติด ก, กามเป็นนิวรันดีเป็นกามฉันทาทันทีเอาต้งนี้ทมัย ข ม, ขมุกขโมว์มืดมนเพราะว่ามีน้ําเชื่อสีถ้าไมีมเจ้าหนี้มาทวงเราะไปกู้นี้เขาไว้ฉันท่าจึงต้องตั้งด้วยสมาธิถ้ามีกามาฉันทะสมาธิจะไม่เกิดแต่ถ้ามีสมาธิเกิดเอาฉันทะนั้นมาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของอิธิบาตสีได้ใ น, ในประการแรกข้อกามาฉันทตดำวั ง, งถ้ามาประการที่สองก็รื่องกลางกันกเครื่องขวาง คือความพยาบาทความพยาบาทเนี่ยมันจะมีระดับของเขาก่อนที่จะไปถึงความพยาบาทนี่ก็จะต้องมีโทสะซะก่อนและแบบว่าโกรธไม่พอใจเริ่มที่จะแบบว่าพูดด่านั่นนี่ให้คหนอื่นเขาได้ไม่ดีพยาบาทนี่ขึ้นไปอีกในความที่ว่าผูกโกรธด้วยเป็นลักษณะที่เริ่มมีความอาฆาตแล้วมีเวรละถ้าโทสะนี่ ค, คือเฉพาะจุดนั้น พอระเบิดอารมณ์ออกมาได้ลงกับครัภ์แล้วบางทีมันก็นหายไปได้ง่ายๆแต่พยาบาทนี่มันฝังลึกก่อนที่จะมีพยาบาทก็มีโทสะก่อนที่จะมีโทสะก็มีโกธะโกธานี่คือความโกรธความโกรธต่างกับโทสะตรงที่ว่าความโกรธนั้นยังอยู่ในภายในมันเดือดปุดๆขึ้นหูเริ่มแดงขึ้นเริ่มมีความไม่พอใจในตัวเองแต่ว่ายัางไม่ได้จะคิดไปประทุษร้ายให้เขาได้ไม่ดี จุดนั้นก็จะข้ามไปถึงคําว่าโทสะแล้วก็ถ้าปูกเป็นก็จะเป็นพยาบาทใต้พยาบาทมีโทสะก่อนโทสะก็มีโกธะก่อนโกทะก็จะมีความขัดเคืองคือปฏิกะปฏิกะคือความขัดเคืองความไม่พอใจความแบบเจอะขึ้นอย่างงี้นะละนักษณะที่บอกว่าขัดเคืองแล้วมันก็บอกว่าจะแบบตุยๆขึ้นหน่อย มันก็จะบอกว่าอุ่นๆขึ้นหน่อยยังไม่ถึงก็ร้อนเหมือนน้แบบอุ่นๆ น, นิดนึงก่อนที่จะเป็นปฏิฆาก็จะมีความพอใจหรือไม่พอใจตั้งไว้ก่อนหรือ ว, ว่าอารติคือความไม่พอใจในที่นี้หมายวาวาความว่าการที่เราตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็จะมีความไม่พอใจเกิดขึ้นในอีกสิ่งหนึ่งตัวอย่างเช่นกดระเบียบอยนี้เป็นตน้นอ๋อทุกคนต้องมาตรงเวลาเป๊ะ อ่ากฎจราจรต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วเธอบอกว่าคุณขับรถไปเห็นคนมาอ้าวทำไมคุณข้ามเส้นทึบมันไม่ได้นะผิดกฎจราจร อ, นอนในความไม่พอใจมันจะเกิดสิ่งนี้เขาเรียกว่าอารติมาจากการที่เราตั้งความพอใจไว้ในกฎระเบียบกฎจราจรหรืออ้าเขาทำงานกันเก้าโมงี่นะไอ้นี่มาเก้าโมงสามนาทีคนนี้มาเก้าโมงห้านาที คนนี้มาเก้าโมงสิบสามนาทีอืมไม่พอใจเอาทําไมอ่ะก็คุณตั้งความพอใจไว้ในการตรงเวลาไงคุณจะไปรู้เหรอว่ารถมันติดขนาดไหนหรือเขาเจออุบัติเหตุหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไรไม่รู้แต่ว่าแบบไม่พอใจไปก่อนแล้วแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรก่านไม่พอใจนั้นไม่มีไม่มีแล้ว บางคนก็จะคิดเลยเถิดไปถึงวาเอางั้นถ้าไม่มีความไม่พอใจอะไรเลยมันจะไป ม, มีการพัฒนาอะไรท่านดูเหรสมัยก่อนเขาใช้เทียนในการส่องสว่างเกิดมีคนไม่พอใจในความที่ว่าเทียนมันมีปัญหาก็เลยไปคิดค้นหลอดไฟขึ้นมาหรืออินโนเวชันการที่คิดประดิษฐ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้มันก็เกิดจากการที่คุณแบบว่าไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไง ถึงว่าจะแบบว่าพัฒนาอะไรขึ้นมาได้ไมถ้าเขาแบบว่าจะเถียงจะโต้เขาคิดว่าเอจริงๆความพอใจหรือความไม่พอใจมันน่าจะมีส่วนดีนะในการที่ให้เราแบบว่าคิดเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนั่นนี่อันนี้ไม่เถียงดูมาฟังแต่อย่าให้มันเกินเลยไปถึงพยาบาทอย่าให้มันเกินเลยไปถึงโทสะไปถึงโกธาอย่าให้มันเกินเลยไปถึงปฏิกะเลย ให้ตั้งไว้ตรงนี้ก็พอความแบบว่าไม่ค่อยชอบสิ่งนี้นะแต่ย้ายไปถึงกับคัดเครื่องนะเพราะอะไรดูฟังมันไม่คุ้มกันไม่คุ้มตรงไหนคือมางคนจะคิดว่าสมมติฉันกรดคนนี้ใช่ป่ะด่ามันแต่ยีมันมันสะใจดีมีความสุขหรือการที่ได้เห็นคนอื่นเนี่ยเขาได้รับทุกข์คนอื่นเนี่ยคือคนที่เราไม่ชอบนะดูสิกรรมมันตามสนองแล้วไนงะวางอีก หรือคิดว่าแหมเมื่อไหร่เขาจะได้รับทุกนะเขาทาความชั่วปานนี้เห็นเมื่อไหร่กรรมเนี่ยมันจะตามทันเดี๋ยวนี้กรรมทําไมมันเดินช้าเหมือนเตา่าเมื่อไหร่กรรมมันจะติดจรวดให้มันได้เร็วเราคิดอย่างนี้คือเรามีความขัดเกืองเรามีโกห์ถ้าเรามีโทสะอยู่ในใจนะทุกฝังเผาตัวเองก่อนแล้วแล้วจึงค่อยคิดจะไปเผาคนอื่นความ ร, าร่ำรานรุ่มร้อนมันอยู่ในจิตอยู่แล้ว เป็นเปรียบไว้เหมือนกับน้ําที่เดือดพร่านท่านฟังเวลาคุณจอมาสองเงาหน้าตัวเองในน้ําที่เดือดพร่านมันจะไปเห็นชัดเจนได้ไงไม่ได้ท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ป่วยไข้ป่วยไข้เป็นทุกอาหารไม่ย่อยกําลังก่อน้อยกินข้าวไม่ได้แขนขาไม่มีแรงโอ้ยเข้งห้อ ง, งน้ําไม่ตรงบูดถึงไปไม่ได้เขาก็ต้องสวนตะวันหนักตะวันเบาให้มันไหลออกมา กินข้ามไม่ได้ก็ต้องเสียบสายยางเข้าไปอาหารชนิดที่มา ย, ย่อยได้เลยไม่ต้องเคี้ยวโอ้ทําเป็นอย่างงี้นี่จิตใจมันแบบอยู่ไม่ได้ทุงฝั่งมันป่วยมีโทสะอยู่ในเจตใจเป็นความพยาบาทสุขมีไหมมีทุกฝว่งเวลาที่เราฆ่าสัตว์หรือเวลาที่เราเห็นคนอื่นได้รับทุกคนที่เราไม่ชอบเนะี่นะเมืที่เรามีความสุขนิดหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับกามนั่นแหละ มีความสุขนิดหนึ่งแต่โทษมันมีมากกว่าในความที่ว่าทําจิตใจของเราให้รุ่มร้อนเร่าร้อนเผารนพอรุ่มร้อนเร่าร้อ น, น, นแล้วนะหนุ่มังจะไม่คิดประดิษฐ์สิ่งใดจะไม่คิดอินโนเวทจะไม่คิดหาทางแก้ปัญหาก็มันจะไปเห็นได้ไงว่าน้ําเดือดปานอยู่มันไม่ใสปิงจิตใจมันจะกุ่นมัวจิตใจมันจะเศร้าหมองจิตใจมันจะตันมันจะไม่ต่อไม่ได้ไง พอไปต่อไม่ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรความโกรธความไม่พอใจพยาบาทเหล่านี้ที น, นี้พอพระพุทธเจ้ า, ายกหัวข้อว่าพยาบาทเนี่ยนะังก็หมายความว่าอะไรเทือกที่มันมาด้วยกันที่มันอยู่ใต้ของมันทั้งหมดน่ะก็มาด้วยนะเพราะฉะนั้นโทสาก็มาด้วยโธท้ก็มาด้วยปฏิกะก็มาด้วยความขัดเคืองก็มาด้วยรติหรือรติคือความพอใจก็มาด้วย เราะฉะเวลาที่เราเห็นสิ่งใดเราแบบว่ามีความว่าเอ๊ะทาไมนี้เป็นอย่างนี้ไม่น่าดีนะความที่เราเข้าใจว่ามันไม่ดีเนี่ยคือด้วยปัญญาไงไม่ใช่ว่าด้วยความขัดเขืองด้วยปัญญาจะเกิดปัญญาได้จิตต้องเป็นอารมณ์เดียวจิตจะเป็นอารมณ์เดียวได้จะมีพยาบาทมีความขัดเขืองได้ไงไม่ได้ก็ต้องให้จิตนั้นไม่มีความพยาบาทไม่มีความขัดเขืองเป็นอารมณ์เดียวอาจจะมีความคิดหรือไม่มีความคิด เส็แล้วเกิดปัญญาก็จะเห็นด้ว่เออสิ่งนี้มันไม่ดีนั่นี่มันน่าจะปรับเปลี่ยนได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆแก้ไขปัญหาถึงจะดีได้ท่าฟังพยาบาทไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวเราจะก่อยมาพูดถึงวิธีแก้กันนะท่าฟังทั้งธรรมฉันท์าหรือพยาบาทแต่ใครคิดว่าเออจะให้มันมีอยู่ในชีวิตแล้วเกิดอาจจะดีได้ประโยชน์มันไม่คุ้มกันอย่างที่ว่าปิธีแก้จะทํายังไง เดีย๋ยวจะค่อยบ่าให้ฟังมาดูข้อที่3ามกันก่อนทุกทังข้อที่สามนั้นคือความง่วงเหงาความซบเซาความเมามึนใช้ศัพท์ที่เรียกว่าทีนามิทะทีนะก็คือความง่วงเหงามิธะคือความซบเซาหมัวเมามึนขี้เกียจขี้คร้านหมดกําลังใจซึมเศร้านี่คือลักษณะของทีนามิทะ เคยไมถ้ามาฟังเวลาที่ว่าเราตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยนะเขียนหนังสือเขียนรายงานหรือว่าศึกษาข้อมูลอันใดอันหนึ่งเสร็จพอทำไปได้สักห้านาทีไม่ถึงสิบนาทีดีมันง่วงอย่างที่สุดเลยหรือว่าคิดกียจอย่างที่สุดเลยหรือเกิดความแบบโอ้อยากผลัดมันประกันพุ่งไปก่อนนี้ไม่อยากทาเลยนะเนี่ยอารมณ์นี้แหละง่วงนี่คือทีนะ โอ้ยหมดกำลังใจไม่อยากทำอะไรขี้เกียจนี่ procrastination ก็เรียกคือความผลัดวันประกันพรุ่งนั่นคือมิถะหมดกำลังใจอ่อนแอตนันเอ๊ะทำไมคิดไม่ออกนี่ท่านเปรียบไวเหมือนกับคนติดคกุกคนอยู่ในคกุกจะไปทำอะไรได้จะไปทำนาเหรอโอ้ยเขาก็ขังอยู่ในคุกจะไปยังไงอ่ะไม่ได้จะไปทำคิดอานการงานไม่ได้ คุกบางที่ดีมีสวัสดิกา ร, รอต่างให้ศึกษาหาความรู้เอออย่างดีแต่จะไปทําตามใจไม่ได้เลยเพราะว่าติดคุกอยู่แต่ในนั้นทำฝังยังถูกทำร้ายยังต้องเสียเงินเสียทองแต่ยังเบื่อไปเหมือนกับเวลาที่น้ำมีจอกแหนะปกกลุ่มเอาไว้น้ำที่มีจอกแหนะปกกลุ่มเอาไว้มันก็ไม่เห็นข้างล่างว่า ใ, ในน้านี้มีอะไร หรือพอมีอะไรปกกลุมไว้เราจะมาส่องดูเป็นกระจกมันก็ไม่ได้เห็นไม่แจ่มแจ้งไม่สดใสไม่ชัดเจนเราก็ต้องมาเปรียบเทียบส่วนต่างให้เห็นด้วยว่าเฮ้าจิตใจที่ไม่ง่วงซึมมีกําลังใจสูงเห็นได้ชัดเจนไม่เหนื่อยหน่ายไม่ผัดวันประกันพรุ่งแต่ว่าสามารถที่จดจด่จดจอในสิ่งได้สิ่งได้อยู่อย่างตลอดอันนี้คือไม่มีทีนมิตาใช่ปะมาเปรียบเทียบกันดังฝังว่า ท้าคนที่มีความง่วงซึมหมดกําลังใจท้อแท้ท้อถ อ, อยอ่ อ, อนแอแล้วเขาจะมาทํางานอันใดอันหนึ่งมันก็จะจับจดไงจับอันนี้เสร็จปุ๊บจะทําอืมไม่หมดเวลาทําไม่ได้หรอกเราก็ไปจับอีกอันหนึ่งเอาไปเปลี่ยนที่ทํางานอีกสองสามเดือนโอ้ยนี่ก็ไม่ดีนะเนี่ยคือความซบเซาและความหมดกําลังใจถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือคนไม่เอาทาน นอนทั้งวันไม่คิดอ่านการงานได้ๆอันนี้จะเป็นอย่างนั้นในขณะที่ถ้าเปรียบเทียบส่วนต่างนะเอาว่าสายกลางก็คือไม่มีดินามิตะใช่ไหมแต่สุดโตโยตข้างหนึ่งก็แบบเวิร์กก็ฮอลกเลยบ้างานมากๆวันหนึ่งทำงาน14ชั่วโมงเอาแล้วนอนกี่ชั่วโมงนอน 3-4 สี่ชั่วโมงแลแหละที่เหลือเดินทางเวลาไปทำงานก็ขึ้นรถไฟเที่ยวแรกกลับจากที่ทางานกัรถไฟเที่ยวสุดท้าย ทำงานมากไปตื่นเต้นไปมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่ามีการม่ฉันทะบางทีเป็นเบอร์กอร์ฮอลลิกเราก็ยังจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆประเด็นก็คือว่าร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีขีดจํากัดท่านผู้ฟัง่าคีดจํด า, าจกัดเนี่ยหมายถึงคนนอนมันก็ต้องพักผ่อนรับนอนบ้างประเด็นก็จะมีข้อเรื่องหมายที่ ว, ว่าเป็นทีนามิทะแบบนี้ให้เราแบบว่าเกิดความวาง่วงถึงเวลาที่เราจะนอนเราก็นอน ก็ต้องรู้จากเวลาที่เหมาะสมร่างกายของเรามันก็จะมีนาฬิกาเวลาที่อยู่ในร่างกายเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นประเด็นคือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเอ้ความง่วงอันนี้มันคือเวลาของร่างกายที่เราควรจะพักผ่อนแล้วส่วนความง่วงอันนี้มันเป็นคเรื่องขวางคเรื่องข้องเป็นตีนามิทะรู้ได้ทุงฝั่งในความที่ว่าเรามีสติสัมปชัญญะถ้าเราไม่มีสตินะ เราก็จะไปตามความง่วงไปตามความทอแท้ไปตามความคิดไปตามสิ่งต่างๆนั่นนิ่มที่มีความคิดว่าเออเลิกเถอะเออเราก็เลิกเออนอนเถอะเราก็นอนอันนี้คือไม่มีสติไปตามความคิดมันหมดทุกสิ <zy> irsiniz, <ๆ>่งทุกอย่างเลยเป็นอย่างที่ผ่านมาเอาไปตามความโกรธฉันก็โกรธไปตามความอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันก็ไปมาฉันตั้งพยาบาทเราก็ต้องมีสติไงมีสติเนี่จะเป็นตัวที่แยกแยะได้ว่า โอหอันนี้มันง่วงแบบต้องไปพักผ่อนแล้วนะสามทุ่มสี่ทุ่มหรือห้าทุ่มก็นอนแต่ถ้าเวลาทำงานตอนเช้าเมาง่วงเอนี่ไม่ถูกแล้วนะอ่าจะต้องแก้ยังไงเดี๋ยวจะว่าให้ฟังหรือว่าความท้อแท้ท้อถ อ, อยค็ว่าท้อแท้ท้อถอยนี่บางทีมันเกิดจากการที่ว่าเขาด่าเ็าว่าเข า, า, เข า, า, เขาติเตียนนั่นนี่เราก็เลยหมดกำลังใจเช่นลูกเรียนหนังสือแม่ก็ด่า เราจะไม่เรียนไม่ดีว่าเปรียบเทียบคนนั้นคนนี้พูดทิ่มแทงให้เจ็บใจก็จึงมีความซบเซามีความแบบหมดกำลังใจอันนี้คือมิถะเป็นลักษณะมีจอกแนวมาปกกลุ่มโดยแล้วคิดมากคิดซ้ำคิดย้ำเป็นโกสซึมเศร้าได้ทุกฟั ง, งร่างกายเปลี่ยนแปลงไปได้มีแพทเทิร์นนี้อยู่บ่อยๆก็กลายเป็นคนไม่เอาฐานทำอะไรไม่สาเร็จจับจดทาไม่ได้ อย่างที่4ในเรื่องของนิวรณ์ก็คือความฟุ้งซ่านรำํารใจมาจากคำ อ, อุทจจะแปลว่าฟุ้งซ่านกุกุจจแะแปลว่ารำการใจฟุ้งซ่านนั้นหมายถึงความที่เราคิดไปเรื่องอื่นต่างๆมากมายที่เป็นไปในทางการมพยาบาทหรือเบียดเบียนทางการมก็จัด็ปในการมชันทะความคิดในทางปยาบาทก็จัดมาในส่วนของพยาบาทนิวรส่วนที่เหลือ ก็จัดมาอยู่ในความฟุงซ่าตรงนี้นั่นเองคือความคิดไปนในทางเบียดเบียนส่วนความรำคาญใจคือลักษณะที่ท่านเปรียบไว้เหมือนกับน้ําที่มันถูกลมพัดไว้พอน้ําถูกลมพัดมันก็เป็นคลื่นเราจะมามองเห็นหน้าตัวเองในภาชนะน้ําที่เขาใช้ส่องเป็นกระจกแล้วถ้ามีลมพัดเหมือนก็เห็นหน้าเป็นวุด้ดววัดๆั ด, ด, ดมันก็เห็นไม้ไม่ตรงเห็นได้ไม่ถูกต้อง ทานยังเปรียเหมือนคนที่เป็นทาสอีกตั้มฟังคนที่ถูกจับมาเป็นทาสใช้แรงงานจะไปตามอิสระหรือทำตามความต้องการของตนก็ไม่ได้เดี๋ยวมัก็จะไปตามความคิดคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่พอใจเออเกิดความรำคาญใจขึ้นเออเรื่องนั้นก็พอใจก็เกิดเป็นการมาฉันท่าขึ้นวุทชักกุกุจักตั้ฝั่งมันจึงไม่มีประโยชน์บางคนตจะเตียมว่า โอ้ความคิดสร้างสรรค์งามบางทีเราก็ต้องแบบคิดนอกกรอบคิดนอกแนวเกิดเอาสิ่งนี้มาปผสมกับสิ่งนั้นเอามาจะก็จะเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเนี่มันดีนะดียู้ทุกฝั่งความที่ว่าเราคิดสิ่งใหม่ๆคิดนอกกรอบได้คาถามก็คือว่าคนที่เขาจะคิดนอกกรอบได้คิดค้นสิ่งใหม่ๆได้จิตก็ต้องเป็นสมาธิไม่ใช่ฟุ้งซ่านถ้าเรายกตัวอย่างที่ถูกคุณลองต้องยกตัวอย่างที่ผิดด้วยว่า คนที่เอาสิ่งนั้นมาผสมกับสิ่งนี้นั่นนี่นูน้ดเราที่ไม่สำเร็จเป็นของไม่มีประโยชน์ใช้งานไม่ได้สิเวลาเฉยเมีมากกว่าอีกทั้งฟังคิดประดิษฐ์สิ่งได้สิ่งหนึ่งมากจากด้วยความฟุ้งซ่านําคาญใจผลผลิตที่ออกมาเนี่ยไม่ดีนะในขณะที่ว่าบางทีเราคิดประดิษฐ์สิ่งได้สิ่งหนึ่งจากความที่จิตเป็นสมาธิแล้วก็เกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาอ่าไอเดียปิ้งขึ้นมานี่ บางอย่างมันใช้ได้ดีเอ๊ะเราจะทําให้เกิดไอเดียมันปิ้งขึ้นมานั่นไม่ใช่ความฟุ้งซ่านนะทุกฝังเพราะว่าความฟุ้งซ่านมันจะเจือด้วยการปริบัติหรือเบียดเบียนแต่ถ้าเป็นไอเดียที่มันปิ้งขึ้นมานี่มันคือสมาธิแน่นอนจิตเราต้องเป็นสมาธิก่อนพอเราโยนปัญหาลงไปโยนความท้าทายนี้ลงไปมันจะปิ้งออกมาว่าอ๋อทางแก้คุณต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อันนั้นไม่ใช่ความฟุ้งซ่าน เพราะว่าสมาธิจำฝั่งแบบที่มีความคิดก็มีแบบที่ไม่มีความคิดก็มีบางคนจะคิดว่าโอ้ต้องแบบเรียบเสมอไม่มีความคิดใดๆเลยนั่นถึงจะเป็นสมาธิถ้าเข้าใจเท่านี้นะอันนี้คือเข้าใจผิดเพราะว่าความที่สมาธิแบบมีความคิดก็มีคราบพรเจ้ายกตัวอย่างรู้เรื่อยเช่นเวลาเราทำข้อสอบหรือเราประชุมการงาน ว่าเออเรายังโฟกัสหรือจดจอ่อในเรื่องงานที่เราคุยได้หรือมาจดจอ่ออยู่กับคำถามคำตอบเป็นโจทย์ที่มาได้หรือจดจอ่ออยู่ ก, กับงานเขียนได้อันนี้คือสมาธิแล้วมันต้องคิดแน่นอนเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิดซึ่งใช้ประโยชน์ได้มากทึ้งว่างถ้ามีความฟุง้งซ่านมีความรําคาญใจมันจะทําให้เกิดสมาธิแบบนี้ไม่ได้วิธีแก้ทำไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง ส่วนในข้อสุดท้ายที่ว่าวิจิกิจชาคือความเครือบแคลงเห็นแยง้งไม่ลงใจสิ่งนี้ก็จะทําให้เกิดคําถามที่มาจากความเครือบแคลงถึงเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่น้ํามีเปลือกตมอยู่ในน้ําหรือว่าน้ําที่มันคุณหรือเวลาที่มันมืดมองไม่เห็นสิ่งต่างๆก็ต้องสงสัยแล้วไอ้ข้างล่างนี่เป็นไงนะมันมีอะไรอยู่ในนั้นนะถ้าถามด้วยความเครือบแคลงเห็นแยง้ง อันนี้ไม่ดีเต้นเปรียบไว้เหมือนกับคนที่นำทรัพย์เดินข้ามทางกันดานยกตัวอย่างเช่นว่าจะเราไปซื้อทองคำมาสัก15บาทนี้นะใส่กระเป๋ามาแล้วก็เดินจะมาขึ้นรถหรือระหว่างขี่รถกลับบ้านเกิดมีคนเดินสวนมาหรือมีมอเทร์มาจอดข้างๆถ้าทางไม่น่าไว้วางใจหน่อยเราจะแบบขงังวนใจทันที ความกังวลใจเกิดขึ้นแล้วว่าให้หมอเนี่มันจะมาทําอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันทำไมแต่งตัวอย่างนี้ไม่มองเราอย่างนี้รู้ว่าเราซื้ออะไรมาหรือเปล่าเนี่ยความกังวลใจมันเกิดขึ้นแล้วทันทีทางนัีน่ว่าเขาก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมทางธรรมดานี่แหละไม่ได้บอก จ, จะมาคิดอรมอะไรกับเราก่อนเดือกก็ขับผ่านไปเดือกก็เดินสวนไปแต่ความกังวลใจมันเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้ไม่ดีเอาทังนั้นเราจะไม่มีคําถามอะไรเลยเหรอเราต้องรู้จักแยงแยะว่าคําถาม ที่เกิดจากความศรัทธาเกิดจากความเข้าใจรู้เกิดจาค ก, กจความสนใจอย่างกรณีของพระอนุนถามนี่มีมากมายท่านฟังมันไม่เหมือนกับคําถามที่เกิดจากความเครือบแคลงเห็นแย้งวิจิกิจฉาไม่เหมือนกันวิจิกิจฉาเนี่ยถามเอาเรื่องหาเรื่องนะเจาะประเด็นหาเรื่องว่าเขาต้องโกรธกันเขาต้องไม่ดีกันเขาต้องเป็นอันนี้กันแน่นอนเพราะว่ามีความกังขามีความเครือบแคลงแต่ในขณะที่ถ้า มีศรัทธามีความใกล้รู้ถามเนี่ยถามเพื่อต้องการจะเสริมสร้างปัญญาของตนเองถามเพื่อให้เกิดปัญญาหนะไม่ใช่มาถามหาเอาเรื่องถ้ามีวิจิกิจชา้าถามเนี่ยมันไม่ได้เกิดปัญญามันเกิดแต่ปัญหาจิตไม่เป็นสมาธิแต่ด้วยศรัทธาถามเกิดปัญญาจิตเป็นสมาธิคนละอย่างกันเพราะเราต้องดูให้ลึกไปไม่ใช่แค่ผิวเผินเรื่องของคําถามแต่ต้องดูลึกไปถึง ว่าคำถามนั้นเหตุมาจากอะไรแล้วตั้งเหตุไว้ให้ถูกวิจิกจารความเครือบแคลงนี้ต้องฟังยังแยกส่วนเป็นทั้งภายในและภายนอกเครือบแคลงในภายในว่าที่เกิดมาเนี่ยเป็นนิมิตเป็นฝันเนอะมัง้งหรือว่าเป็นคนที่แบบเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆฝันนี้ต้องเป็นจริงแน่ๆเลยคนนั้นก็ฝันอย่างนี้คนนี้นก็ฝันเหมือนกันอันนี้ก็ภายในเรื่องภายในหรือเป็นเรื่องภายนอกเศรษฐกิจสังคมการเมืองบุคคล เป็นไปได้วิจิการเกิดได้ทั้งภายในและภายนอก ห, ห้าอย่างนี้ทฝัง่งเราทําความเข้าใจแล้วว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างในการที่ว่าจะทําให้เกิดสับสนได้แล้วประโยชน์มันน้อยโทษมันมากทําจิตให้ไม่แจ่มแจ้งถ้าเรามีคําถามเรื่องอะไรถามด้วยความเคลือบแคลงได้คําตอบแล้วมันมก็จำไม่ได้ต่อให้จําได้มันก็จําได้ไม่เต็ม เลยนิดเดียวเลยที่จําได้ไม่เต็มนิดเดียวนัวกยังไม่ค่อยถูกด้วยซ้ําเอาไปใช้ผิดได้โทษมันมากกว่าประโยชน์มันนิดเดียววิธีแก่ายังไงวิธีแก่ในเรื่องการเมฉันทะพระพุทธเจ้าเคยบอกเราถึงตัวพระองค์เองน้องฟังตอนเป็นบริษัทก็เจอปัญหานี้เหมือนกันมันจะคิดไปถึงเรื่องกรรมนในอดีตซะส่วนมากน้อยครั้งที่จะไปคิดถึงเรื่องการมนในอนาคตหรือปัจจุบัน พระบาทดูวความดีว่าบวชแล้วนะพระพุทธเจ้าตอนนั้นเป็นพริสัตวบวชแล้วออกจากเรือนแล้วจะมาคิดถึงว่าเอิงเภาห่มปอนปอนโกลนผมอยู่ใต้โคนไม้แล้วโอ้ยจะมามีความพอใจในการปัจจุบันไม่ใช่อ่ะส่วนมากมักจะคล้อยไปในอดีตมากกว่าที่บรรดับไปแล้วเกลี่ยนไปแล้วนั่นแหละเหมืนกวัวมาอยู่วัดไม่ได้นอนเตียงนุ่มๆเหมือนอยู่ที่บ้านหรือว่าจะกินอะไรเวลาไหนจะเปิดดูอะไรคุยกับใครได้มีวิาณที่บ้านจัน แต่พอามาอยู่วัดแนวทีวีก็ไม่มีเตียงมันก็ไม่ได้หนานุ่มถึงเวลายังต้องไปนั่งสมาธิอีกมันไม่เหมือนกันนะทําให้บางทีจิตน่ยมันคล้อยไปในความคิดต่างๆที่เป็นอดีตนั้นจะมากกว่าที่จะมาอยู่ในปัจจุบันเรืออนาวก็ทายังไงตั้งสติไว้ทุกฝัง่งในนิมมคอนทั้งหมดนี้เลยนะเป็นประโยชน์ตรงดีว่ว่าเราใช้เป็นเครื่องตั้งสติได้ เขา่บอกว่ามันไม่ดีไม่ใช่เหรอส่วนดีก็มีนะส่วนเสียก็มีนีวรณทั้งหมดเนี่แหละอย่างที่ว่าว่าส่วนดีมันน้อยส่วนเสียมันมากไม่ดีอเอาแต่ส่วนดีที่มีได้คือเราตั้งสติในความที่ในช่องทางใจของเรามีนิวรณนได้อ่าฉันมีการมาฉันท์นแล้วฉัมีความพอใจละต้องยอมรับมันก่อนต้องให้รู้ก่อนว่ามันมีนะถ้าเราไม่รู้ว่ามันมีนะเราละไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้ว่ามันมีนะเออบางทีเราอาจจะลาได้การไม่ฉันท้านี่ก็เหมือนกันนุ่มว่างเราต้องตั้งสติไว้ว่าโอ้จิตเราเป็นอย่างนี้นะมันมีนะนี่นะพยาบามด้วยนะความงุ่งซึมด้วยนะความฟุง้งซ่านําการใช้ด้วยนะความเครือบแคลงเห็นแยง้งไม่ลงใจด้วยนะห้าอย่างนี้เราต้องรู้ก่อนว่ามันมีอยู่ในจิตใจของเราหรือไม่ตอนไหนเมื่ อ, อไหร่ยังไงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราต้องรู้ให้หมด คำวารู้นี้หมายถึงระลึกรู้ได้ระลึกรู้ได้ในที่นี้หมายถึงรู้จักที่จะแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คือสิ่งไม่ดีที่เกิดมีในช่องทางใจของเรานะข้อมูลนี้เรานด้ฟังมาในมหาสติปัฏฐานสูตรนะในการเห็นธรรมในธรรมว่ามีนิวรณ์เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วสติเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือดูวางอันดับแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้สิ่งนี้มีนะจะสามารถละสิ่งนั้นได้ละได้ไง สติต้องมีกำลังไงท่านบริไว้เหมือนกับเวลาที่สัตว์หกชนิดถูกผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักถ้าผูกไว้อย่างแน่นหนาะเชือกไม่ขาดเสาไม่ล้มมันไปไหนไม่ได้พยายามดึงอยู่ดึงอยู่ก็จริงอะ่ะแต่ไปไม่ได้มันก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงจนมานั่งเจา้านอนเจา้าอยู่ข้างเสาเขื่อนเสาหลักเสานั้นเปรียบเหมือนกับสติสิ่งที่จะมาดึงจิตไปให้เกิดความฟุ้งซ่านบ้างเกิดความอยากบ้างเกิดความไม่พอใจบ้าง เล่นเปรียบเหมือนกับสัตว์หกชนิดมีงูมีจระเข้มีลิงมีสุนัขจิ้งจอกสุนัขบ้านแล้วก็นกมาผูกไว้มันก็พยายามจะกลับแต่ดึงไปไม่ได้มันอ่อนแรงมันก็อยู่นิ่งอยู่เฉยเินเดียวกันในขณะที่มันดึงไปเนี่ยสติเรามีกำลังไหมถ้าเชื่อขาดถ้าสาวล้มมันก็หลุดไปเราจึงต้องตั้งสติไวก่อนการบังคับจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยดำฝัง ในทั้งห้าอย่างนี้ถ้าเราพยายามบังคับว่าเฮ้ยอย่าคิดนาะไปในเรื่องการโน้ no, คุอย่าไปโกรธเขาสิคุณอยาแบบว่ า, า, าไปง่วงนอนสิต้องฝืนต้องอย่านอนหรือว่าแบาบว่าพยายามจะฝืนความคิดว่าอย่าถามนะอย่าไปคิดนั่นคิดนี่เราจะปวดหัวเลยทำฝังยิ่งบังคับนี้ยิ่งปวดหัวเลยบังคับไม่ได้เราพยายามที่จะบังคับนิวร์ว่าอย่ามานะมันยิ่งมาเลยเพราะอะไร เพราะเวลาที่เราจะพยายามบังคับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องน้อมจิตไปทางนั้นไงพรอเราน้อมจิตไปทางไหนสิ่งนั้นก็มีพลังพอถ้เราพยายามน้อมไปในเรื่องนิวรณ์นิวรณก็มีพลังไม่ใช่แค่ปัญหางั้นไม่ถูกเราต้องอยันน้อมจิตของเราไปทางนั้นไม่สนใจมันจะไม่สนใจสิ่งใดๆก็ต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนี้แหะคือสติมันจึงเป็นเริ่มแยกแยะได้สติไม่เหมือนกับการที่เราน้อมจิตไปนะเล่นบริไว้เหมือนกับยามที่เฝ้าประตูไง มีคนเข้าคนออกก็จริงแต่ไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปอยู่กับที่อยู่ที่ป้อมไม่ได้ตามก็ไปเิ่นเดียกันว่ามีการมาชันท่ามีพยาบาลมีความฟุ้งซ่านต่างๆมาแล้วเราไม่ได้ตามไปนะแต่เรารู้มันมีนะมันอยู่ตรงนี้มันยังมีอยู่แต่ไม่ตามมันไปอเราจรึงจะเริ่มแยกมันออกได้ก่อนหน้านี้นี่คุณอย่ามาสิเข้าไปหามันเข้าไปหามันมันก็มีกําลังเลยทันที ถ้าแบบว่าจะลืมไม่สนใจแบบไม่แคร์ไม่รู้ไม่ยุ่งไม่ปรับเปลี่ยนไม่พัฒนามันก็มีอยู่นั่นแหละมันก็จะไม่ได้หายไปไหนเราก็ไม่รู้จักมันด้วยซ้ําสตินีจึงเป็นตัวที่สําคัญในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้มีสติสัมปชัญญะไว้อย่างดีส่วนเรื่องภยาบาททุ่มฟังจะแก้ความโกรธความไม่พอใจเอาถ้าเราเอาระดับลึกๆเลยกุ่มก็จตั้งความพอใจไว้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เออฉันนอนนะั้นต้องหลับเป็นสุขนะวันนี้มันอาจะหลับไม่เป็นสุกก็ได้อย่าไปแบบไม่พอใจฉันกินนะมันต้องไม่เผ็ดนะเมื่อดี้มันอาจจะเผ็ดก็ได้อย่าไปตั้งความพอใจอไว้เป็นการส่วนหนึ่งวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เรามันมีความกรุณามีเมตตาจะแก้ปัญหาเรื่องความปฏิบัติได้มีกรุณามีเมตตาต่อกันความแบบว่าเห็นเขาแล้วจะไม่พอใจ มันจะหายไประ ง, งับไปส่วนุกความง่วงสืมทุกวัง่งพระพระเจ้าเคยให้อุบายไว้กับท่านพระมหาโมกขลนะถึง8อย่างด้วยกันวันนี้จะเอาข้อหนึ่งที่มีสาระสำคัญนั่นก็คือการที่ว่ารู้สึกตัวเราก็รีบลุกขึ้นทันทีไม่ขอเวลาต่ออีก5นาที1ิบนาทีไม่หาความสุขในการเองข้างความสุขในการเคลื่มหลับ เพราะว่าถ้าหาความสุขประเภทนั้นถี่นามิตานี่มันจะเจริญงอกงามแต่ให้รู้สึกตัวละลุกทันทีมาทํากินอย่างได้อย่างหนึง่งเออถ้าง่วงจะไปนอนต่อก็ไม่ว่าอะไรแก่แบบนี้ได้ทีนี้เออเรื่องถี่นามิธาคือความง่วงซึงมบางคนเนี่ยถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วนะั่นนะฟังมันจะสว่างอยู่ตลอดคืนเลยแบบว่าไม่ง่วงเลยคือนอนอยู่ก็จริงแต่ไม่หลับรู้สึกตัวอยู่ตลอด ไม่เหมือนหลับเลยนะจนไระทั้งว่าที่สีที่ห้ 5, อาอลรูกขึ้นแล้วซึ่งลักษณะนี้เป็นเพราะวจิ ต, ตเป็นสมาธิความง่วงซึมทีนามิตาเนี่หายไปทำให้มันไม่ง่วงไม่หลับแต่ไม่ใช่ว่าเป็นโรคนอนไม่หลับเรา่าคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับคือจะรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียง่วงอยู่แต่มันนอนไม่หลับง่วงอยู่อยากจะนอนแต่มันยังไงก็ไม่หลับนี่ บางทีมันคิดเรื่องให้เราไม่พอใจบางที่มันคิดฟุ้งซ่านไปนอนไม่หลับนี่มันก็เกี่ยวกับพยาบาทบ้างเกี่ยวกับความฟุ้งซ่านบ้างเกี่ยวกับวิจิกิจชาด้วยทีนี้ถ้าจิตเราเป็นสมาธิแล้วพยาบาทที่น้มิทธะวิจิกิจชาอะไรพวกนี้ดับไปแล้วจิตเราสว่างอยู่ตลอดบางทีมันก็ไม่หลับเพราะมันตื่นอยู่ตลอดนั่นคือดด้วยอำนาจของสมาธิแตกต่างกันเพราะว่า พอร่างกายอยู่ในสมาธิถึงแม้จะไม่รู้สึกหลับเลยก็ตามร่างกายเราได้รับการพักผ่อนอยู่ในสมาธิในขณะที่คนที่เป็นโรคนอนไม่หลับอยากจะนอนอยู่ก็จริงอ่ะนอนลงไปแต่มันไม่หลับโอ้ยร่างกายนี่เพลียเหนื่อยอ่อนเพราะว่ามันนอนไม่หลับอันนี้จะมีความแตกต่างกันอยู่ในจุดที่เป็นความง่วงซึม น, นั้นเราใช้ประโยชน์ในการที่จะดูเป็นเครื่องหมายว่าร่างกายเราต้องได้รับการพักผ่อนแล้วหรือไม่ซึ่งปกติแล้วถ้า อย่างพระชาประสงค์เนี่ยนอนสีชั่วโมงก็พอแล้วสี่ชั่วโมงหชั่วโมงอะพอแล้วแต่ถ้าเป็นคารวาสญาติโยมใช้แรงงานมากบางทีกอาจจะไปถึง6กชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงก็ดูระบบของร่างกายเราว่าจะเป็นยังไงรอมา ถ, ถึงความฟุ้งซ่านทางการใจต้องจะพูดถึงความที่ให้เรานั้นตั้งสติเอาไว้ให้ดีไม่ให้กําลังกับสิ่งที่เราไปคิดนึกนั่นนี่นอนจ่อย่างได้พูดถึงเรื่องของผู้ชงด้วยทั้งว่าง พ่อชงเจตประการนี้จะเป็นองค์ที่ทําให้เจ้านิวรณ์ทั้งห้านี้ระ ง, งับไปได้ในพ่อชงเจตประการนั้นก็มีสติสำโพชงอยู่ด้วยมีอุเบกขาอยู่ด้วยเวลามีความคิดนึกใดๆแล้วเราไม่เอาจิตไปใส่ตรงนั้นมันก็ไม่เป็นไรจุดหนึ่งที่เราสามารถนําเจ้านิวรณ์มาใช้งานได้ก็คือว่าจะขีดเป็นกรอบขอบของสมาธิของเราไว้หรือในวิธีการที่เราปฏิบัติว่ามันไปถูกทางหรือไม่ได้ ที่มาถ้าเราเจริญโพชทธชงแล้วจิตมันแบบว่าดีขึ้นมาละอ่ะหรือเราทำสมาธิได้แล้วอ่ะเกิดแบบว่าเราพิจารณากายผมคนเลื่อนฟันหนังนั่นนี่นู่นแล้วมันเริ่มจะไปคิดเรื่องอื่นแล้วคิดเรื่องงานแล้วคิดเรื่องคู่ครองแล้วคิดเรื่องลูกแล้วอ่านี่เริ่มฟงซานแล้วใช่ไหมอ่ะอันนี้เป็นขิวแล้วเป็นเครื่องหมายละเป็นนิมิตละว่าอ่ะคุณทำความเพียรมามากเกินไป อ้าก็หยุดทําความเพียนในการพิจารณานั่นนี่อ้าวมาทําจิตให้สงบไม่คิดอะไรอยู่นิ่งๆเฉยๆหรือบางทีเราอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่คิดอะไรจ่างก็เรื่องมันเริ่มคล้อยไปคล้อยไปในการแบบว่ารู้สึกง่วงแล้วนะรู้สึกแบบว่าซบเซาพอใจอยู่กับสิ่งนี้แล้วนะอ้าวถ้าคุณพอใจในสมาธินั้นใช่ปะนั่นเป็นลักษณะของทีนามิตาละาแสดงว่าสมาธิลงมากเกินไปแล้วจะมาถาเกินไปทํายังไงคุณก็ไปพิจารณา เวลาพิจารณาไปบางทีมันมีความคิดเปนในทางการอ่านเะจอแล้วว่าพิจารณามากเกินไปก็กลับมาสมาธิสมาธิทําสมาธิแล้วบางทีมันแบบว่าเกิดความสงสัยนั่นนี่เป็นมิจิกิจะสมาธิมากเกินไปอ่ะก็ไปพิจารณาพิจารณาแล้วบางทีไปคิดเรื่องที่ให้เราพยาบาอ่านนั่นพิจารณามากเกินไปก็กลับมาสมาธิใช้เป็นคเครื่องมือเป็นคเครื่องหมาย ในการที่จะดูว่าอ๋อเราจะปรับปริยนในสมาธิของเราเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ใช้ประโยชน์ได้ถามว่าทําไงนะต้องมีสติไงต้องมีสติต้องมีสติตสตตสตรู้ก่อนว่าไอ้นี่มันความฟุังชั่นหรือเปล่าหรือมันเป็นความแบบว่าง่วงซึมหรือมันเป็นความพยาบาทเราต้องรู้ให้ดีเรื่องนิวรณ์นี้ท่านฟังที่ออกมาพูดนั้นเพราะมันมีประโยชน์กับการทําสมาธิยังมีเรื่องของอุปกิเลสอีกสิบเอ็ดอย่างที่จะมามีส่วนตรงกับการทําสมาธิ คนนี้มาในอุปกิเลสสูตรก็มีส่วนของนิวอณนนี้เจืออยู่ด้วยซึ่งในเวลาต่อไปเราจะนำเรื่องนี้มาพูดในธรรมุฟังได้ฟังกันในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นก็จะมาพบกับธรรมฟังเป็นประจำตัแต่เวลาตี5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้เราพูดถึงเรื่องของนิวรทั้ง 5, ทําความเข้าใจในทุกประเด็นแล้ว ผมว่าท่านฟังสามารถที่จะนำความรู้ก้อนนี้ไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนพัฒนาจิตใจของเราให้มันดีมีขึ้นได้ตามสายตามเส้นทางของธรรมานั่นเองข้าพจาพระมหัยบูลอาภีปุณโณพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุริปบาน